ธรรมะจริงๆประณีตแล้วยิ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนยยิ่งเข้าใจยากเราคุ้นเคยกับความสุดตรงสองด้านเสมอถ้าไม่หย่อนไปก็ตึงไปการที่จะเข้าสู่ทางสายกลางยากแต่ว่าพอฝึกหัดนะมันจิตมันตื่นข่มา เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้วการปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแล้วแต่ว่าต้องอดทนเอามันใช้เวลาแล้วคราวนี้คล้ายคายขึ้นถนนต้นทางได้ถูกต้องแล้วคราวนี้ต้องเดินทางใช้ความอดทนเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีเดินไปเรื่อยบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่ว่าบารมีแค่ไหนบางคนก็ปฏิบัติสบายบางคนก็ต้องปฏิบัติลาบากหน่อย แล้วแต่ว่ากิเลสแรงแค่ไหนถ้าบารมีมากก็ผ่านไปเร็วจบเร็วถ้ากิเลสเบาบางก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ปฏิบัติสบายได้ผลเร็วอันนี้พวกกิเลสเบาบางด้วยบารมีเยอะด้วยบางคนปฏิบัติสบายก็ได้ผลช้า พวกนี้กิเลสมาบางแต่บารมีก็เบาบๆงด้วยบางพวกปฏิบัติลําบากนะได้ผลเร็วพวกนี้กิเลสแรงแต่บารมีก็แรงมันไม่ไม่ล้างกันนะค่าบวกค่าลบเนี่ยไม่ล้างกันบางพวกปฏิบัติลําบากด้วยนะได้ผลชา้าด้วยว ก, กิเลสก็แรงบารมีก็น้อยฉะนั้นเราแต่ละคนเนี่ย มันปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันบางคนสบายสบายบางคนก็ต้องยืดหน่อยลำบากอดนอนผ่อนอาหารออกทุดงเดินจงกรมหามลูกหาม่ําอะไรเงี้นบางคนทำงั้นไม่ได้ทำแล้วจิตไม่สบายก็กิเลสเบาบางนะ นอนกระดีกเท้าบารรลุก็ได้นะหรืออย่างอีขิวสังเคยได้ยีกชื่อไหมอีขิวสังอีคิวสังภาวนาได้ยินอีการ้องก็บรรลุล้วอีกคนหนึ่งเดินผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักแล้วบรรลุว น, นี่พวกนี้ลำบากแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแล้วแต่แต่ยุิธรรม ยุติธรรมที่สุดเลยถ้าเราสะสมกิเลสไว้มากการที่จะต่อสู้ให้พ้นอำนาจกิเลสก็ต้องใช้กําลังมากเหมือนโลกมันดึงดูดไว้แดงดูดออกจากโลกแล้วใช้กําลังมากถ้าเราขึ้นไปอยู่ในที่สูงมากๆนะแดงดึงดูดเริ่มลดลงอะไรเงี้ยจะออกจากโลกก็ง่ายขึ้นมัน ย, งนะยังจะหลุดนะยิงจะหลุดขึ้นจากพื้นใหม่ๆนีใ่ใช้พลังงานมาก พอหลุดขึ้นไปแล้วใช้พลังนิดเดียวหรือเข้าอาวากาศแล้วไม่ได้ใช้พลังงานแล้วมันวิ่งของมันเองนะการภาวนาเหมือนกันนะเราก็ดูตัวเองแค่ไหนพอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องอดนอนนอนมากไม่ได้ขี้เกียจขี้คล้านบางคนถ้านอนไม่พอก็ไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้อง คบคุมตัวเองมากนะอย่างพระบางองค์ก็อดข้าวบ้างอะไรบ้างทรมานเดินป่าเดินเขาเสี่ยงอันตรายล่อแหลมเสือช้างอะไรเงี้ยยุคเราไม่ค่อยมีละมีเสือก็เสือแบบกลัวคนมากเลยเจอคนวิ่งหนีละเพราคนโหดร้ายมากกว่าเสืออีกอย่างเก่งก็มีงูมีอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์สมัยก่อน ท่านใช้ความน่ากลัวของพื้นที่มาฝึกตัวเององคไหนกิเลสแรงนะที่ท่านให้ผีฝึกให้ให้เสือฝึกให้ไปอยู่ในถ้ำที่เสืออยู่อนะไรเงี้ยกิเลสหนามากพอไปอยู่ในที่ล่อแหลมอันตรายกนะ็ใจก็รวมสงบภาวนาต่อได้ แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกส่วนชา้าส่วนเร็วนะไม่ได้อยู่ที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายปฏิบัติถูกจริตนิสัยแล้วนะถ้าบารมีมันเต็มมันไปเร็วพวกเราในห้องนี้ตอนที่ภาวนานกับหลวงพ่อแล้วก็จิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเป็นเนี่ยใครเคยรู้สึกไหมว่าเป็นสภาวะที่เคยเจอมาแล้ว ใครเคยรู้สึกไหมตอนที่จิตมันตื่นนี่ลองยกมือซิมีไหมในพวกนี้คล้ายๆมีของเดิมมีบารมีมาล้วพอจิตตื่นขึ้นมาเฮ้นี่ของเก่าใครที่พอจิตตื่นแล้วขันแยกเลยบ้างมีไหมยกมือซิมีเหลือ น, น้อยละพวกนี้เคยเจริญปัญญาอย่างหลวงพ่อนะครับ พอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันแตกเลยตั้งแต่แรกเลยเป็นเองอัตโนมัติถ้าต้นทุนเราอย่างน้อยก็ ข, ขยันหน่อยรู้วิธีเราไม่ยากอะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฤทธิ์มากๆาหลวงพ่อถ้าคนที่ไม่เคยภาวนามาก่อนเลยนะแล้วลงมือภาวนาเนี่ยใช้เวลานา น, นไหมยว่าจะบรรลุมรรคผลบรรลุโสดา โอ้ไม่นานหรอกประโมดเลยเราสังเกตนะไม่เกินเจ็ดชาติหรอกถ้าทำจริงๆนะฝั่งเราเยอะนะไม่เยอะหรอกแป๊บเดียวก็ตายแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะนี่จะหมดปีแล้วนะเพิ่งฉลองปีใหม่ไม่นานนะจะสิ้นปีอีกแล้วปีหนึ่งก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่หลวงพ่อคิดว่าพวกเราคงไม่ใช่เริ่มเจ็ดชาติหรอก พวกเราแต่ละคนน่าจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วไม่งั้นไม่สนใจขนาดนี้อยู่ตั้งไกลๆแลเดินทางมาฟังธรรมคนไม่มีบารมีมันมาไม่ได้หรอกมันจะมีข้ออ้างเยอะแยะเลยยังคงไม่ถึงเจ็ดชาติหรอกแต่ละคนที่สำคัญคือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี่ถ้ารู้หลักจริงๆนะสั้นนิดเดียวไม่นานขนาดนั้นหรอก แต่ถ้าไม่รู้นะแล้รูปรูปคลามแล้วก็นานแต่ถ้ารู้แล้วแป๊บเดียวและอย่างหนึ่งบารมีสำหรับพวกเรานะที่จะเป็นสาวกเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรนักหนาไม่เหมือนบารมีของพระโพธิสัตว์จะบรรลุเป็นพูะพุทธเจ้าบารมีต้องมากจริงๆของเราไม่ใช่ว่าต้องสะสมมากมายอะไรนักหนาหรอก รักษาสี่ห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกัตัวดูกายดูใจทำงานทำมาอย่างนี้แหละแป๊บเดียวบารมีก็ขึ้นมาเยอะแยะแล้วเคยกระล่อนโกหกตลบตะแลงก็เลิกซะแป๊บเดียวก็ได้บารมีแล้ ว, ลวเคยโลเลทำอะไรก็ใจอ่อนโลเลอยู่นั่นแหละมาอดทนเอาตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบนี้แป๊บเดียวใจก็เข้มแข็งล ความดีเนี่ยถ้าทำต่อเนื่องสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นบารมีเข้มแข็งขึ้นมาเป็นความเข้มแข็งของจิตใจใช้เวลาไม่นานหรอกงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ได้รักษาศีลห้าไว้ศีลห้าเท่านั้นแหละไม่ต้องศีลแปดหรอกศีลห้าหแหละสำคัญหลวงปู่ดนยังเคยว่าพระเลยว่าบางองค์นะอ้างว่ามีศีลสองร้อยีิบเจ็ดแต่ไม่ได้ถือศีลห้า พราะนี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลสินที่จะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลสินห้านี่แหละในองค์ของมรรคสัมมาวาจาก็สิข้อสี่สัมมากัมมันตะเนี่ยสินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามส่วนศีลข้อห้าไม่กินเหล้าไม่อะไรนะมันไปเพิ่มพลังของสติเพิ่มพลังของสติได้สัมมาสติตัวนั้น ในองค์มรรคมันก็แค่นี้เองนักากนั้นก็เป็นศีลเพื่อขัดเกลาวตัวเองให้เข้มข้นขึ้นเช่นจิตใจของเราติดในความสุขความสบายมากเรียกว่าหลงในกามหลงในความสุขชอบดูของสวยชอบฟังเสียงเพลาะชอบกลิ่นหอมหอมชอบรสอร่อยๆร่อยติดใจชอบสัมผัสอ่อนนุ่มสวยงามอะไรดีๆอะไรเนี่ยชอบ วันมันหมกมุ่นแต่เรื่องเหล่านี้ก็มหัดถือศีลแปดศีลแปดนี่มันจะดัดนิสัยพวกติดในกามรุนแรงประพฤชพรหมจรรย์ไม่ได้เจอผู้หญิงเจอผู้ชายเลยประพฤชพรหมจรรย์ก็ศีลหลายข้อนะไม่ประดับดอกไม้ของหอมสวยงาม ไม่ตกแต่งร่างกายสวยงา ม, มอยู่ในสีนสีนแปไม่นอนวันที่นอนที่สบายมากเป็นการฝึกตัวเองที่จะออกจากอำนาจดึงดูดของกามใช้ความอดทนเอาให้สีนเอาให้พวกเราคนไหนก็ดูเป็นคราวๆนะถ้าจะถือสีนแปนะเป็นครา ว, วาสถือสีนแปดตลอดลำบาก โดยเฉพาะไม่กินข้าวเย็นนะทำงานหนักเนี่ยเดี๋ยวโรค ก, ก็พร้อมันกินเอาจะศีลห้าให้ได้ถ้าจะถือศีลแปดจะถือเป็นเคลาวคาวในศีน 8, ลแปดหลวงพ่อก็เลือกนะตั้งแต่เป็ดโยมมีอยู่ข้อหนึ่งที่หลวงพ่อถือตลอดเลยที่นอนบนไม้กระดานมีฟูกนะเราไม่ได้นอนคนเดียวยมีเตียงมีฟูก มีปานประตูอยู่บานหนึ่งประตูไม้นอนเอาประตูนะวางไว้บนฟูกอีกทีนะแล้วผ้าปูที่นอนคลุมไมดูไม่ออกนอนบนไม้นอนบนไม้มันดีนะเยลิกซ้ายคลิกขวามันรู้สึกตัวมันแข็งนอนถ้ามันมีข้อดีแก้โรคปวดหลัง ใครเป็นโรคปวดหลังนั่นนอ น, น, อนบนไม้กระดานดูนอนบนเสือเนี่ได้สู้กิเลสด้วยนะสุขภาพก็ดีด้วยถือศีลส่วนเข้าเย็นหลวงพ่อเป็นโยบเนี่ยไม่ได้อดหรอกนะไม่เคยอดเลยทําบุญมาดีไม่ได้อดโห อ, อ, อ, อ, อยากอยากไม่เคยภาวนาแบบเนสัรชิกด้วยภนะาวนาหิวก็กินง่วงก็นอนนะ ภาวนาสบายเป็นสุขขาปฏิปทาไม่ช่วยไม่ได้กิเลสมันอ่อนนะไปทำรุนแรงเข้าโทสะขึ้นเสียงเรืนะ่อภาวนานะจุดสำคัญก็คือดูให้พอดีกับตัวเราเองแค่ไหนพอดีค่อยๆฝึกพอดีเนี่ยหมายถึงว่าลำบากนิดๆนะคำว่าพอดีไม่ใช่พอดีสบายนะ พอดีหมายถึงว่าตึงนิดหนึ่งนิดเดียวเช่นแต่ละวันเรานั่งสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงเราก็สับประสายแล้วทนไม่ไหวแล้วถ้าเกินครึ่งชั่วโมงเราก็สับประสายทุกวันเราก็ตั้งใจเรานั่งสมาธิสาสหนาทีให้มันเกินหน่อยเองกไ็ได้ต่อสู้ค่อยๆฝึกค่อยๆดูของเราไปจุดสาคัญในรักษาศีลได้ได ศีลห้าต้องมีต้องมีนะศีลดังพลอยเนี่ยสมาธิจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยศีลดังพลอยทําไมสมาธิเสื่อมศีลนั้นทำให้ใจสงบถ้าไม่มีศีล น, นะใจฟุ้งซ่านง่ายอย่างคนคิดจะทําร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะตีคนอื่นนะใจฟุ้งซ่านคนเมตตาคนอื่นใจสงบนะมีศีลไม่ทําร้ายใครนะฝึกไปเรื่อยนะความเมตตามันเกิดนะทําร้ายไม่ลงนะ ทีแรกไม่อยากทําร้ายเพราะกลัวเสียศีลนี่ชินที่ไม่ทําร้ายต่อไปมันกลายเป็นเมตตาค่อยๆสังเกตไปค่อยดูมีศีลนะใจสงบคิดจะขโมยเขาไม่สงบระหว่างขโมยไม่สงบขโมยแล้วก็ไม่สงบกังวลใจระหว่างคนหนึ่งอยากเอาของคนอื่นอีกคนนึงเผื่อแผ่คนอื่นคนที่เผื่อแผ่คนอื่นมีความสุข มีความสงบมีสมาธิง่ายมีฐานสมาธิเกิดง่ายดีกว่าไปเอาของคนอื่นสมาธิเสียรักษาศีลข้อสามนะไม่ประพฤติผิดในกรรมสมาธิเกิดง่ายอันนี้ตูวง่ายๆเลยเราจะไปจีบสาวใหม่ๆไปเรื่อยๆนะใจฟุ้งซ่านเราอยู่กับยายแก่ที่บ้านใจไม่มีอะไรไม่มือหวา สงบง่ายหาอีหนูไปเรื่อยๆใจฟุ้งคนโกหกหกลอกลวงฟุ้งซ่านคนมีสัจจะสบายใจไม่ฟุ้งซ่านคนคิดเล่าเมายาก็ฟุ้งซ่านนั้นมีศีล น, นะใจสงบเราได้บารมีหลายตัวอย่างเรา ไม่อาของใครนะเราฝึกไปเรื่อยจนกลายเป็นมีฐานน้าบาร ม, มีเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นต่อไปได้เมตตาบารมีไหได้บารมีขึ้นมานะเราซื่อสัตว์อยู่ในคู่ของเรานะมันจะได้บารมีตัวหนึ่งนะชื่อในขัมมาบารมีออกจากกรรมง่ายเราถือศีลข้อสีลไม่โกหกหลอกลวงต่าไปได้สัจจะบารมีนะ เบารมีมันเกิดนะความดีที่สะสมไปมันกลายเป็นบารมีบารมีเนี่ยมันเป็นพลังของจิต่คนบารมีมากภนะาวนาแป๊บเดียวก็หลุดไปแล้วจะจะบรรลุเร็ว่าบรรลุเร็วเนี่ยขบ ป, ป่าพิญญาได้เร็วงั้นเรารักษาสี่ห้านะได้บารมีต้องเยอะแยะหน่ยตั้งใจจะรักษาสีลห้าแล้วรักษ า, าไว้ได้ได้อธิฐานนะบารมี ได้บารมีอีกในชะ่ไหมได้เยอะแยะเลยบารมีสิบตัวเนี่ยนะถือศีลห้าให้ได้ก็ได้ตั้งเกินครึ่งแล้วค่อยๆสะสมของเราไปบางคนดูถูกศีลไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่ฉลาดหรอกไม่ฉลาดในเรื่องของจิตถ้าฉลาดในเรื่องของจิตจะรู้ว่าศีลจําเป็นมากเลยทำให้จิตของเราเนี่ยเติบโตบารมีเพิ่มพูนจิตจะมีพลังที่จะออกจากโลกออกจากกิเลส อ อ, กอากความทุกข์งั้นบางตอนรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนะตั้งอกตั้งใจเขาแต่เป็นฆราวาสรักษาศีลห้ายากนะรักษายากมากเลยใช้สติใช้ปัญญามากในการที่จะรักษาเย่างตอนหลวงพ่อปิยมทํางานอยู่นะหัวหน้าก็ชอบสั่งแล้วใครโทรมาหาพี่นะบอกว่าพี่ไปไประชุมนะ โกหกะเราได้รับคําสั่งนะแย่แล้วว่าเราถือศีลศีเราต้องเสียแน่เลยเนี่ยถ้าไม่ทําตามที่เขาบอกแล้วเขาก็เอาเรื่องเราเดือดร้อนอยงทําตามที่เขาบอกศีลเราก็เสียเนี่ยมันจะสองแง่สองงามอย่างเงี้ยนะเป็นค า, วารวะก็ต้องเล่นเทคนิคนิดหน่อยโทรศัพท์มารับโทรศัพท์เขาถามคนนี้อยู่ไหมหัวหน้ากองอยู่ไหม เราก็พูดเบาๆหัวหน้ากลองสั่งว่าไปไประชุมครับศีลด่างพลอยไหมด่างพลอยด่างพลอยนิดหน่อยนะไม่สบายใจหรอกแต่ดีกว่ากหกร้อยเปเซ็น์ในมหาภารตายุทธมหากราบของอินเดียนะมีเจ้าชายอยาง์หนึ่งชื่อยุทธิสถิระเจ้าชายอยาง์นี้เป็นพี่ใหญ่ ในพี่น้องห้าคนเป็นฝ่ายธรรมะสู้กับญาติเป็นพีนนพ่น้องร้อยคนมีพี่น้องร้อยคนยุทธิศติละนี่มีชื่อเสียงในด้านมีสัจจะพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะอย่างดีเลยใครๆก็เชื่อถือบารมีของยุทธิสติละนี่สูงมากนั่งรถสึกออกไปขี่รถม้านี่แหละ ตัวรถม้านะลอยจากพื้นคืบหนึ่งด้วยอนานาจบุญบารมีตัวเนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่รบด้วยเนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รบเราถือว่าเขามีหน้าที่รบพวกฮินดูอคิดอย่างนี้ทำตามหน้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นบุญค่าเขาก็ได้นะไม่บาปหรอกทำตามหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะระวังนะประโยคอย่างเนี้ยจลายเป็นคนฮินดูไปไม่รู้ตัวไปเลย ปรกฏว่าแม่ทับฝ่ายตรงข้ามนะเป็นอาจารย์ของยุทธิสุธราเองชื่ออาจารย์โทรณะอาจารย์โทรณะมีลูกชายนี่อาจารย์โทรณะเนี่ยฝีมือดีมากไนะอพี่น้องห้าคนเนี่ยสู้ไม่ไหวอาจารย์มีเก่งกว่าก็ไอพี่น้องคนหนึ่งนะชื่อพีมะพีมะเซ็นะพีมะแรงเยอะเลยเอาคาากระบองตนะีช้างตัวนึง ช้างตัวนี้ชื่อเหมือนลูกชายอาจารย์จะทําลายขวัญอาจารย์อาจารย์เก่งเหลือเกินสู้ไม่ไหวจะทาลายขวัญตีช้างตายตัวหนึง่งมันก็แรงเยอะนะตีช้างตาย <c oughs> ตีช้างตายแล้วก็ตะโกนดังๆว่าเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อเนี่ยตายแล้วอาจารย์ได้ยินนึกว่าลูกชายตาย อาจารย์ก็ยังฉลาดนะหันมาถามยุทธิสถีระลบกันอยู่เนะี่ยถามว่าไอ้ออคนเนี้ยชื่อเนี้ยตายจริงเหรอยุทธิศถิระถ้าบอกว่าลูกชายอาจารย์ยังอยู่นะก็ลบแพ้และสู้ไม่ไหวก็เลยบอกอาจารย์ว่าตายแล้วแต่พูดเบาๆว่ า, า, าแต่เป็นช้างนะ <c oughs> อาจารย์ก็วางธนูลงเลยนะพวกฮินดู ลูกชายคนโตตายแล้วเนี่ยไม่มีใครทำพิธียันยกรรมอะไรให้แล้วนะรู้สึกหมดสิ้นทุกอย่างหมดกำลังใจลูกศิ ษ, ษย์ฝ่ายธรรมะยิงอาจารย์ตายเลยฆ่าอาจารย์ตายพวกเราชาวพุทโธรับไม่ค่อยไหวแล้กเนะเขาถือว่าอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของเขานะก็ดีแบบของเขาอะปรากฏว่าการเล่นเล่ ของอยุทธิศธีระนะที่บอกว่าตายแล้วแต่พูดเบาๆว่าเป็นช้างนะดังพลอยในเรื่องศีลรถศึกที่ลอยอยู่เหนือพื้นนะี่ตกกระแทกพื้นเลยอาจารย์นะี่ไม่สังเกตว่ารถมันกระแทกพื้นนะอาจารย์วัวจะขําครวดลูกชายตายถ้าเป็นเราเรถมันตกเลยยิงมันเลย <laughs> แลศีลดังพลอยคารวาสเนะี่ยถือศีลให้งดงามนะยากมากนะ ยากแต่ต้องพยายามถ้ามันพลาดไปแล้วผิดไปแล้วนะก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่เคยมีคนหนึ่งนะบอกว่าเลี้ยงปลาศีลดังพร้อยคงภาวนาไม่ได้หรอกเนี่ยถ้ามีอาชีพยอย่างนี้ทำไงเชื่อให้มีศีลหลวงพ่อก็เลยถามบอกว่าฆ่าปลาทุกวัน ร, อ, รอเปล่าก็เปล่า เลี้ยงไว้ครบเดือนนะคือกี่วันอะไรเงี้ยก็ขายปลาทีหนึ่งบอกว่าสมมติเดือนหนึ่งแล้วก็จับปลาครั้งหนึ่งสมมติอย่างนี้นะแต่ความจริงเปนสักสี่สิบห้าวันหรืออะไรเงี้ยเขาบอกจำไม่ได้ละบอกวันก่อนหน้าที่จะฆ่าปลาไม่ได้ฆ่าปลานะรักษาศีลสิอย่ามัวท้อใจว่ารักษาศีลไม่ได้หรือขาดหมดห้าข้อเลยนะวันที่ไม่ได้ขายปลาก็าตั้งใจรักษาศีลซะ วันที่ขายปลาสินขาดแน่นอนต้องรับชะตากรรมนะมีกรรมมีแน่นอนหนีไม่พ้นหรอกพอขายปลาไปแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลใหม่ทําบุญทําทานให้ปลาบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เลวเป็นคนละเวลากันช่วงที่ดีก็ทําบุญได้คะแนนไปได้ศีลได้อะไรไปตั้งใจช่วงที่มันจําเป็นต้องพลาดไป ทำผิดศีลผิดธรรมยังไงก็ต้องรับชะตั ก, กรรมนีกรรมไม่ได้หรอกไม่มีการแก้กรรมในศาสนาพุทธนะยังมาขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมเมื่อก่อนมาขอขอโหสิกรรมหลวงพ่อกันได้่อยๆหลวงพ่อก็เลยต้องบอกซื่อๆโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสําเร็จแล้วนะให้ผลไปแล้วหมดการให้ผลนละ้ไม่ให้ผลต่อกรำยังไงก็ต้องให้ผล แม้แต่กรรมเล็กน้อยนะเรียกกตั้ตากรรมกรรมเล็กน้อยกรรมที่องค์ประกอบของการทํากรรมไม่ครบนียังไม่ได้เจตนาทําโดยไม่ได้เจตนาก็มีกรรมเหมือนกันแต่กรรมเบาบางหน่อยยังไงก็ต้องรับอย่างที่ขอเนี่ยขอขมานะขอโทษขออภัยไม่ใช่ขออโหสิกรรมขอให้ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ขอขมาไม่ขออโหสิกรรมแล้วกรรมมันให้กันไม่ได้ หลวงพ่อไม่ได้ใหญ่เหนือกรรมไม่มีใครใหญ่เหนือกรรมพระพุทธเจ้าเองก็หนีกรรมไม่พ้นจนถึงเข้านิพพานถึงพ้นกรรมไปให้ผลไม่ได้นะอย่างท่านต้องถ่ายเป็นเลือดก็เป็นกรรมของท่านนะเช่นนิพพานปรินิพพาน น, นี้นต้องถ่ายเป็นเลือดเนี่หรือต้องอดน้ํา อยู่กระหายน้ำต้องการดื่มน้ำไม่ได้เกิดไม่ได้ดื่มท่านก็บอกเลยตัวนี้เป็นกรรมจากอันนี้อัน น, นี้ท่านบอกได้พวกเราไม่รูร้เกินวิสัยที่พวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองแต่กรรมยังไงก็มีผลงั้นเราพยายามทำกรรมดีไว้เว้นกรรมชั่วทั้งปวงจิตใจเราก็จะค่อยผ่องแผ้วขึ้นฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยกรรมชั่วไม่ทำ กรรมดีก็สำรวจทำไงจะเพิ่มความดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆฝึกไปไม่เคยมีศีลก็มีศีลไม่เคยมีทานก็มีทานจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยจเจริญปัญญาก็าหัดแยกธาตุแยกขันเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตกิเลสอยู่ส่วนกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปนะความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ศีล มีศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่จะได้สมาธินะะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเจริญปัญญาศีลนะตัวเดียวก็ได้บารมีทั้งเยอะแล้วนะได้สมาธิอีกได้ปัญญาอีกปัญญาบารมีแก่รอบขึ้นมานะโดยที่บารมีตัวอื่นก็มีนะมีปัญญาอย่างเดียวไม่บรรลุนะ ปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้จิตไม่ตัดกิเลสถ้ามีความดีครบถ้วนศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนมันแก่รอบขึ้นมามันมีพลังมีพลังแล้วถึงจุดหนึ่งอะไรมาสะกิดนิดเดียวขาดไปเลยเหมือนฝั่งเส้นสุดท้ายใส่ั่งเส้นสุดท้ายไปแล้วลาหลังหักไปเลยเอาบรรทุกไปเรื่อยบรทุกไปเรื่อย ฟังอันสุดท้ายทั้งๆ ท, ท, ที่เบาเลยใส่ลงไปลาหลังเรดยงไปแล้วหนักเกินอันนี้ทางฝ่ายชั่วนะทางฝ่ายดีคือเราสะสมบารมีไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งนะทำอะไรนิดเดียวนะได้สะกิดใจนิดเดียวนะั้นผ่านเลยได้โสดาได้สกทาคาได้อนาคาบรรลุพระอรหันตนะ์อะไรเงี้ยในพริบตาเดียวเท่านเองแต่ก่อนที่จะถึงไอ้พริบตานั้นนะก็สะสมบารมีไป ความชั่วทั้งหลายลดลงไปฝึกให้ได้อย่างนี้นะระศาสี่ห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยไปนะทำอย่างนี้ได้เจวันเจเดือนเจปีควรจะได้อะไรบ้างถ้าบารมีมาก่าจจะจบบารมีน้อยอาจจะได้โสด า, านี่นะ ได้โซดาก็ปลอดภัยแล้วโสดาบางองนี่กำลังเข้มนะเข้มคนเกิดอีกครั้งเดียวก็จบแล้วไม่มากครั้งเดียวนั้นอาจจะอยู่ในเทวโลกก็ได้ไม่ต้องเกิดเป็นคนโซดาปานกลางเกิดอีกสองสามครั้งโซดายังอ่อนเกิดไม่เกินเจ็ครั้งจะ5ครั้ง6ครั้งเ็ครั้งเกิดไม่เกิน7ครั้ ง, ง, ง, ง, งที่กาลังอ่อนหน่อย ให้เราสะสมกำลังนะพัฒนาของเราไปถือศีลห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายทำงานดูใจทำงานเหมือนดูคนอื่นไปทำให้ได้อย่างนี้แหละอาเชียนไปทานข้าวนิมนต์ครับ